กางทำกันเรามีหน้าที่มีการศึกษาให้ยินได้ฟังเอาไว้เพื่อเป็นส่วนประกอบทงานของเราเรามาศึกษาไม่มันจบ มันรอศึกษาวิชาการต่างๆทำให้เป็นแล้วก็มีหลักสูตรจะสร้างบ้านต้องมีสูตรวัดจะตุลาตให้ดีจีมุมแห่นได้ฉากเปงจะ ได้แผนได้ที่ได้แบบตามง่ายได้แบบก็ทำทำไม่ได้ไปเขียนหลายไทยต้องจับสามมุมสามเหลี่ยมตั้งต้นใะก่อนจะทำหัตกรรมจักสารต้องมีสูตรตั้งต้นนับเส้นตก ต ด, ตดช่างตัดทั้งเย็บต้องมีสูตรอันนี้หรือว่าสูตรเป็นไปรตมหลักฐานเรามาศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นการสิกขาและทำเป็นเครื่องชีวิต ชีวิตของเราก็ไม่อยู่คือกายคือใจตัวศึกษาคือสติเข้าไปดูให้เป็นนักศึกษาอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจให้รูปหมดรู้ครบรู้ท่วให้ได้หลักได้ฐานให้เห็นเป็นกายเป็นใจมันจนมันจนง่าย มันไปไม่ได้ถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจถ้าเจ็บก็คือเจ็บถ้าหิวก็คือหิวถ้าทุกข์ก็คือทุกข์ถ้าโกรธก็คือโกรธถ้าหลงก็คือหลงถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจหมดไปกับอาการต่างๆมากมายแปดมื่นสี่พันอย่างกิเลสก็พันหน้าตัณหาก็ร้อยแปด เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้แล้วเราก็ไม่ได้ใช่มันมันใช่เรามีกายเพื่อรับใช้อาการหนังต่างก็ลเลยเป็นจำเลยของกายของใจายจะเป็นโจดสั่งงานสัางการให้เป็นแปตามเหตุต่างๆอยู่เสมอ พอเราศึกษาไปจะได้หลักฐานเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นรูปเป็นนามกายใจจบไปถ้ามีสติเห็นแล้วจบไปแล้วเรื่องกายเรื่องใจเห็นเป็นรูปนามเห็นเป็นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาม ได้หลักได้ฐานตั้งเองเพื่อจะให้เจ้าสายพิพากษาจะได้หลดจากการลับใช้ของกายของใจมาเป็นผู้ที่เห็นเหมือนเราได้วิชาการเอาไปใช้แล้วก็แตกฉานถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉาน แปลสภาพได้อะไรที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นมะกผลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานอะไรเป็นอะไร <c oughs> ไม่นจะแตกแขนเปรูปธรรมเป็นน้มธรรมมันมีกรรมมีการกระทำอะไรเกิดขึ้นกับรูป ก, กับน้มนี้ รูปทำนามทำมันทำอะายมันเหตุอยู like ่ที่ไหนเมื่อก็สําเร็จทําชั่วก็สําเร็จทําดีก็สําเร็จได้รูปทําน้ําทําเป็นความยิ่งใหญ่ธรรมชาติสู่ธรรมชาติเราก็ต้องมีสติเห็น แต่ก่อนเราเรียกว่าสุกว่าทุก์ที่เห็นเป็นกายเป็นใจก็เห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่โศกไม่ใช่ทุกข์เป็นอาการของกายของใจแตกขานเป็นอาการไม่ใช่โศกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ร้อนมไม่ใช่หนาวไม่ใช่หิวไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ปวดเป็นอาการตามธรรมาชาติ ธรรมาชาติกฎธรรมาชาติหน้าที่ธรรมาชาติถ้ากายมันร่อนไม่เป็นมันก็ไม่ใช่กายไม่ใช่รูปมันเป็นอันตรายถ้ามันหนาวมันเหวมันเจ็บไม่เป็นมันก็อันตรายเป็นธรรมชาติเป็นอการของรูปไม่ใช่โศกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ร่อนไม่ใช่หนาว เห็นปัญหาการมีรถเดียวแต่ก่อนสุขก็เป็นรถหนึ่งทุกเป็นรถหนึ่งเ่องโกรธความโลภความหลงเป็นรถหนึ่งเ่องพอใจความไม่พอใจเป็นรถหนึ่งคนละรถชัดเหล่าไป่ังซ้ายฝังขวาตัวโพแฝดเพราะเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามมันเป็นอาการ มันเป็นรถเดียวคือเห็นได้จะตอบก็เป็นอาการแล้วก็แตกฉานไปถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์อันรูปอันนามนี้ตกในตจลักเสมอการสามันลักษนะได้ว่าอะไรในโลกนี้มันแตกฉานไปอาศัย ให้มันเห็นตามธรรมชาติของเขาเราจรึงจะได้เหนือมันไม่ใช่มันเหนือเราเห็นรูปทุกเห็นนามทุกยิ่งดีก็ถือเรือลน้นก็ตือเรือล้นขนส่งเห็นไหลพ้นไปเห็นอะไรพ้นไปได้เมื่อเกิดการเห็นเป็นอาการแล้วง่ายเห็นแล้วไม่เป็นเนมันง่าย ถ้าเห็นเป็นกูกายเป็นใจมันมันหลีกไปได้มันจนนหมนคนไม่มีเงินถ้าหิวก็ต้องจนไม่ได้กินข้าวเพราะไม่มีข้าวถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าคนสมมติค น, มมคนหิวข้าวก็มี มีเงินชื่อข้าวจินไม่ได้ต้องหาเงินเอามาจ่ายเลยเอนนาทความหิวไปได้ถ้าคนหิวไ ม, ม่มีอะไรจ่ายก็ไม่ได้จินเหตุปัจจัยมันไม่มีมนี่คือโจรคนหลงคือโจรคนโกรธคือโจรคนทุกข์คือโจร เราไม่มีทา ง, มม เ, ทางเราไม่เห็นทางถ้าเราไปเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปทุกนามทุกนั้นไม่จนมันเป็นทางไปแต่ว่าที่ไม่จนต่ออาการต่างๆที่ว่าชีวิตมีชีวิตจิ๋าได้ทเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตได้ชีวิตได้ความเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตาไม่ใช่หูสมองเลนกายใจเป็นใหญ่ตาว<ม>าที่เห็นนี่เป็นใหญ่เห็นแล้วไม่เป็นใหญ่ที่โุดมีอำนาจเป็นธรรมารถตายใหญ่ในชีวิตมีสิทธิอะไรที่ไม่ใช่ความรู้ภาวะที่ <มา S 1> เป็นนั่นมันมันไม่ใช่ภาวะที่่เป็นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มีสิทธิเวลามันโกรธ เปลี่ยนเป็นไม่โกรธมีสติได้ความโกรธไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตเราก็ามไม่โกรธเคยชีวิตต่างหากก็มไม่ทุกข์เคยชีวิตเราก็ามไม่หลงเคยชีวิตเราเราไม่สตินี่ความเป็นใหญ่ไม่ใช่ตาหูจะมูกลิ้นกายใจรูปรสจินเสียงเป็นใหญ่ เราได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามเท็จความจริงมันบอกไม่มีคําถามได้สัมผัส ด, ดูได้เห็นได้หลงเวลามันหลงเห็นมันสัมผัสความหลงสัมผัสความไม่หลงมันทุกข์สัมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์ สัพพะเพนนี่ม่มีคำถามให้คำตอบใครก็ตอบได้ <c oughs> ตอบัวเอง <c oughs> ก็หนินตอบให้ไได้แต่บวนกลางลือถอนเห็นรูปทุกนามทุกเนะี่ยลือฉนุกลือถอนตรงนี้ไหลดื้อออกก็ <c oughs> ออกไปจริงๆหากลงมาไม่ยิ่งใหญ่ เหมือนเถาหวัดคุมต้นไม้ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเราเห็นเหตุมันเออมันขึ้นตรงนี้ตัดมันจะมันก็ง่ายไม่ใช่ไปบิดใบมันเราตัดตรงนี้ต้นมันเหตุไม่อยู่ตรงนี้ เ, เช่นเชื้อขอมวกนะอยู่ในวัดเรามีเชื้อขอมวกเยอะ ถ้ามองเห็นเชื้อของโวกต้นไมยก็ขึ้นไม่ได้มันคุมหมดต้นไม้ก็ตายถ้าต้นไม้ไม่ตายมันก็หนักหนักแล้วดูผลเราดูผลเช่นนี้มันหนักกโค่นลงมาอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ประโยชน์ต้นไม้ใหญ่ๆก็ตายเพราะเถาวันน้อยๆเกิดขึ้นได้น้อยไม่ใหญ่ เล็กหัวต้นไม้แต่มันมีอํานาจควบคุมได้ตัดมันแล้วอาธรรมทั้งหลายย่อมธรรมทั้งหลายย่อมชนะธรรมก็เหมือนกับว่าย่อรู้สึกตัวความหลงตัวเหมือนกับวิชาอวิชาอวิชาในเหมือนกับป่าในชีวิตเรา ป่าดงพงพายที่ได้มีป่าเท่านั้น ก, ก็มีสัตว์ร้ายเพราะอาวิชชาไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าวิชามันก็รู้มันรูงมันมองทะลุทะลวงมันเห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์รูกมันทุกข์ตรงไหนเห็นหมดคุยเขียออกหมด ไม่ให้เหลือถึงกระบวนการที่มันลื้อถอนมันไม่ยอมเหมือนกับเครื่องเือตรวจโลกเหมือนกับอะไรต่างๆมีอยู่ในหลักวิทยาศาสตร์ในชีวิตเราก็เป็นวิทยาศาสตร์มันพิจาร์ได้ สิ่งใดมีสึ่งใดไม่มีฉันนั้นหมดไปมันก็พิสูจน์ได้ต่างเกัคนว่าเดิมพอถึงกระบวนการลือถอนในรูปทุกข์นามทุกข์เนี่ยอะไรที่เหมารุดหมดไปความทุกข์วังอย่างไม่ต้องแต่ต้องมันมนหล่นไปเองไม่มีที่ตั้งให้อยู่ไม่ได้ความทุกข์วางอย่างต้องเกี่ยวข้องกับมันบ้าง ความทุกข์ัางอย่างกําหนดรู้เดี๋ยวการรู้ก็หมดไปแล้วความทุกข์ัางอย่า ง, งกงําหนดรู้เดี๋ยการบรรเทาก็หมดไปแล้วไม่ใช่เป็นทุกข์ความทุกข์บางอย่างก็ละจิตที่ละนี่เหมือนกันเหนียวนิดหน่อยเหมือ น, นลูกใบพอเราไปขยโอวางลูกก็หล่นลงแต่ว่าลูกไม่หล่น <c oughs> ลางลูกก็แห้งติดไม่หลนของหลวงพ่อเคยพูดว่าความทุกข์บางอย่างเหมือนมาเขียบหลอดพราพูดภา ษ, าษาีสารนะรู้จากมาเขียบหลอดไปน้อยหน่าน้อยหน่าที่มันหลอดหลอดมันติดโต้นว่นะนะมันไม่หลนหลกแต่มันไม่ดูดซึมเอาจาก น้มเลี้ยงของต้นมันไม่มีผลกระทบกระเทือนรวมทุกวังอย่างมันหลอดใช้ไปได้เหมือนกับ่เขียบหลอดเขียบหลอดอ่าเหมือนกับเชืโลกเชื้อโรคฝังอย่างมันหลอดก็ดนในตับอนมันหลอดก็เนื้อลําคอมันหลอดต้อลิดของหยาง บางอย่างเป็นอย่างนั้นก็มาทุกเนี่ยหลดแล้วใช่ไหมได้บวชไปเลยนำมาเอาม า, า, มากโกรธหรือชี้ได้ไมไม่ได้เด็ดขาดเอามาทุกได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ไม่ได้เลยถ้เาเขินไปโกรธถึงไปทุกโลกก็ขมขืนมากมันไม่โยมนี่คือภาวะที่ กฎธรรมชาติไม่ต้องทำอะไรกันเลยเบอรการลื้อทุกนอกจากเบอรการลื้อทุกเห็นรูปทุกนามทุกโลเห็นสมมติตัวเนี้ยเห็นสภาพสมมติเนี่ยจืดไปเลยเห็นแล้วไม่พอทำไมจืดไปมานไม่มีรสชาติแล้ว เราเห็นสมมุติวัญหาติควา ม, มามงู่หลงอมายหมดเลยอ่านเชื่ออะไรที่ไม่ใช่หลักใช่ฐานใช่เกณฑ์ไม่มีเลยมีดีก็ทำลงไปชัวว่วก็ละหลงไปชั่วละแต่พุตะเพือดีทำไปใจไม่ติดนี่คือปรามาติสมมุติต้องอ้อนวอน จะว่าจะจะนั่นจะช่วยเราอันนี้ช่วยเราผู้เห็นสมมุติบัญญัาดต้องคอยจากเห็นรูปทุกน้ำทุกเห็นสมมุติวัญญัติมันล่างบางอะไรที่เป็นทุกในรูปในน้ำนี้ล่างบางก็มุ่หลงหมายหมดไปเห็นประมรัฐวัตถุอการต่างๆล่างไปอีก ร่างไปอีกเห <c oughs> มือนกับรักษาโรกซ้ำลงไปก็ให้เกียมเงินเรไม่พอเอาหลังือข้าวมันลงไปร้างบางมัน <c oughs> อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เชื่อโลกอันนี้ก็โอโลขยะประมาลาภารความไม่เป็นโลกนะว่าธรรมเนี่ย แล้วก็เหมือนที่ฉนนั่นล่ละถ้ามีสติความหลงก็หมดไปถ้ามีไม่มีสติความหลงก็มีอยู่ถ้าเห็นรูปเห็นนามเป็นฐานตั้งของเสื้อโลกมันอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ให้ตั้งเมื่อมีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหลงเป็นหลงให้ที่ที่ตั้งให้อาหารมันหลงที่ใดก็เป็นหลงทุกที่ใดก็เป็นทุก โกรธที่ไเป็นโกรธถ้าเห็นแล้วมันไม่มีไม่มีที่นั่งมันไม่ได้เหยื่อมันแห้งมันอยู่ไม่ได้เหมือนกัเข้าอี้ใบเดียวนั่งอยู่แล้วมันจะมาเอกไม่ได้เราไม่มีจิตที่มันหลงมีสิตที่ไม่หลงเข้าอี้ใบเดียวมันโกรธเราไม่มีจิตที่ไม่โกรธมันทุกข์เราไม่มีจิตที่ไม่ทุกข์ นี่คือจิตทของเราเรามีจิตทีจริงจริงชีวิตนี้เมื่อมีสิตที่ลงอิเปรเจนเห็นสมมุติเห็นมันหยาิเห็นปริมาณซ้ำลงไปอีกนั้นจริงตามสมมุติมันไม่จริงตามปริมาณเวียนอยู่ตรงนี้เช่นเห็นใจลักน่ยก็ไม่เที่ยงกับตัวก็ไม่ใช่ตัวตนหลายโลก เห็นที่เดิมันผ่านไปมันเกี้ยงไปเกี้ยงไปเหมือนเรากวดบ้านหรือถูรเรือนถูรลบเดียวไม่จอดรลบที่สองรบที่สามสี่รอบห้าร บ, โหโหโรบมันก็สาดได้ด้านหน้าแปงงพานเหมือนกัน ใจใจสักหน่อยทำไรก็ต้องให้มันปลานีดสักหน่อยนี่คือคือการงา น, นการศึกษาชี้ของเรานี่ก็ืปลานีดใจใจเห็นแต่ลากหลายรอบอเหม็นที่ใดก็เพี่ยงไปทุกทีตาดไปทุกที น้ำพอเทียนเปรียบเทียบเหมือนขุดน้ําบ่อไปเจอน้ําแล้วแต่เจอใหม่ๆยังใช่ไม่ได้เมันยังคุณอยู่โอมันมีโคลนตมุมเราไปเราไปเจี่ยวข้องกับมันทําให้มีโคลนตมุมมันก็ออกมาแล้วตักออกมันออกมาเราตักออกตักออกทีใดมันไม่ใช่เหมือนหน้าเหมือนเก่ามันเป็นน้าใหม่น้ําที่ออกมาก็ใส อาบได้ดื่มได้ละช่ายได้กีวิตที่ใชยได้รูปดังที่ใช่ได้อาเฉยเป็นพ่วงแพนี่คือการเห็นเป็นโลบเป็นโลบเป็นโลบสุขทุกข์ก็เห็นเป็นโลบเป็นโลบเห็นเป็นโลบเป็นรอบจนไม่มีเหลือสุขไม่เหลือทุกข์ไม่เหลือ ไม่มีอะไรเหลือดับไม่เหลืออาจารย์พุทธะบอกดับไม่เหลือคำว่าทุกคำว่าโทษไม่มีเห็นเป็นละมัดเห็นวัตถุอาการต่างๆเวียนอยู่ตรงนี้จนไม่มีอะไรเหลือปัดก้นไปเลยหมดแล้วหมดงานแล้วให้ว่าอย่างนี้ให้ว่าอย่างนี้เลยนี่คือปฏิบัติธรรมไม่ใช่มา คิดต้นเดาคาดคะเนรเอาจึงมามีสติเห็นเนี่ยมีกายก็มีกันทุกคนใจก็มีกันทุกคนนี่แหละหลักสูตรมาชี้แจ้งออกมาให้เราศึกษามานันให้เราเห็นอย่าหลบหลีกอย่าหลบลีกอ ย, ลลอย่าทําให้ไม่ชัดแจง้งทําให้มันแจง้ง เห็นม oh. ันหลงเห็นมันร oh. ู้ตรงนี้ทํำไมแจ้งสักหน่อยให้มันเห็นแจ้งแล้วก็อย่าทิ้งไว้เป็นงานแล้วถ้ามันหลงมีงานทําแล้วเปลี่ยนเป็นไม่หลงให้มันเห็นแจ้งให้มันรู้ว่ามันหลงกับมัหลงมันเป็นยังไงทุกข์ไม่ทุกข์เป็นยังไงเป็นงานแล้วโดยเพราะงานที่มันไป ไปฆ่าหน่อยก็คือมันหลงในความคิดเนี่ยอันหลงในกายในตาในหูนี่มันก็มีเวลาอยู่หรอกแต่ว่าใจนี่มันไม่มีเวลาอันนี้ต้องต้องชํานาญงัดที่กายที่ใจไปก่อนเอากายเป็นเลาเอาใจเปวลาดูไปก่อนพอเป็นชํานาญในกายในใจมันก็เห็นในกายแล้วมันก็เห็นใจ งา น, นจิตใจที่มันคิดนั่นละ่ะใจไม่ใช่หัวใจงา น, นจิตใจที่มันรู้จักอะไรได้นั่นละ่ะเห็นมันนั่นแหละเป็นธาตุรู้<อ>วิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้รู้อะไรได้นั่นแหละตัวนั่นแหละ<อ>เราจะได้เห็นอีกจะทำให้งานบานิษขึ้นจิติจ ะ, จะชำนานขึ้นมีผีเหมือขึ้น ต่อไต่เต้าไปจากกายเคลื่อนไหวเดินจงกรมยกหมือช่างจะบวชหายใจเข้าหายใจออกต่อไปมันจะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยอันนี้แล้วไปเห็นเท่าเลยเพราะว่าที่ดูที่เห็นนี่มันก็เป็นตรงเข้าไปเลยต่อหน้าต่อตามันโชว์ อ, วา อ, อากามอะไรอาการนิ้บเกิดกระกายจากจิตนี่มันโชว์มาก มันโชว์มากภาษาธรรมะก็เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารมิยานี่นเป็นนามนี่ก็ตามตำราว่าอยางนั้นรูปคงเป็นรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารมิญาณเป็นนามอันนี้ไปโชว์ขัวรูปเราก็เห็นหมานช่ไมันจะพาให้เราแจกฉันนดะ้ งที่สุดมันก็โชว์สุดสุดท้ายนะนเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณโชว์จน้านที่สุดท้ายนะงานชิ้นสุดท้ายเลยละ่ะขันหน้าเนี่ยอะไรก็จบไปแล้วอะไรก็จบไปแล้วแต่ยังเหลืออยู่ในขันทน้าเนี่ยรูปเบชนาสัญญารูปไม่ใช่ร่างกายได้วัมนะอะไรที่มันเกิดขึ้น ที่มืนสัมผัสได้ถือว่ารูปทั้งนั้นเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปอารมณ์ก็เป็นรูปความคิดก็เป็นรูปสัมผัสเจ็บปวดได้เวทนาสัญญาขันวิญญาณมันรูปเนาะมันโชว์ตรงนี้อะไรก็หมดแล้วเหลือตรงนี้มันโชว์โชว์เบอๆไม่ใช่โชว์หนักโชว์เบอๆคอยดูคนมีสติดูสติปาณีษ เป็นยานนะวิปัชนายานนะเป็นประไดผู้ปฏิบัตินะถ้ามีสตินะถ้ามีหลักโสดตามโสดจริงๆนะนิวายานวิปัชนายานเหมือนพระพุทธเจ้ายานเกิดขึ้นแล้วเจอเราเบื้องต้นเกิดลายอุเพนิวะสารเศริยานต่างเก่าพ้นภาวะเดิม แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใครก็เป็นได้เฮ้ยหลงผมหลงเป็นหลงบัดนี้ความหลงไม่หลงแล้วเป็นความรูม้แล้วความทุกข์เป็นทุกข์สภาพตอนเป็นยังไงชีวิตเราใช่ยังไงเดี๋ยวนี้มันก็ต่างเก่าย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้เฮ้ยชุบุลี มันเอาไม่ได้เคยเจอเล่วอาจจะเดิมไปเลยก็มันพ้นเพราะว่าเก่าตัเพรเหว่าสารเสตียานตัตัปัญญาเวลานี้กับเมื่อวานนี้เป็นยังไงปีนี้กับปีก่อนเป็นยังไงสิบปีก่อนสามสิบปีก่อนเป็นยังไงปีนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงจูตัวเป็นยังไ ง, ไงอยู่ตรงไหน เราู้จักคือตัวปยียอนเนีมองตัวเองออกพ้นมาอย่างไงอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ไหนแต่ก่อนอยู่ยางไรปล่อยกายปล่อยใจไปอย่งไรเคยช่วหลวเคยช่วเหลืกอกายใจไหมเคยเคยเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงไหมแบบนี้มันเห็นตามความเป็นจริง จัวตัวปีญานมีที่ตั้งย่อมเกิดเจผู้ปฏิบัติพ้นจากการเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าสู่ภาวะใหม่เรียก ว, ว่าวิปัชนาอาสวัคยานอะไรมันพ้นไปก็คงรู้ผู้ปฏิบัติ แม้มันมีอยู่ก็ไม่ไม่มากนั้นมีน้ำหนักลดลงแต่ก่อนเคยโกดลยเปรต่อมาอาจจะซัก 75% ตปต่อมาซักหสปต่อมา 25% ิห้าเปนิดหน่อยไม่กระทุกกระเทือน พอกัเพ um ิ่มนิดหน่อยน่าคองพอใจข้อมาพอใจข้อมันการนาพอใจรอยปรเนพอใจสักเจ็หาเปอร์เซ็นพอใจสักห้านยิ้็ดหน่อยลักกางตเก่าเรียกว่าสว nah, <Ha. S 1> ัสดขยานทาให อะไรเกิดขึ้นหมดไปเหลือเท่าไรนั้นเราทำงานเจ้านาปักดำนาเดือนสองเดือนแล้วมีผลงานมีคนถามว่าใกล้เสร็จหรื อ, อยังใกล้แล้วอีกสองสามวันเสร็จอีกสองสามวันเสร็จ อ, อ, อีกวันเดียวก็เสร็จ วันนี้ก็เสร็จเตรียมแล้วเตรียมสรุปเตรียมเจ็บเข้าเจ็บของนี่คืองานที่ทำต้องต้องต้องรู้การไปฏิบัติก็เหมือนกันย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้มีผลงานบ้างอะไรที่มันหมดไปอะไรที่มันเหลือย่อมรู้จัก เห็นตรงที่หมดไปมันแล้วมันแล้วตรงที่ยังเหลืออยู่ก็ยังไม่ลึไม่เท่าไรนิดหน่อยเนือนพระอนุ์เป็นพระเป็นโพตุชนแต่เป็นพระผู้สจะทำสังกาน า, าระหัตทั้งหลายขาดอันวันไม่ได้พระอานุนจาได้มากก็เป็นพระอุปถา ขอพรจากพระเจ้าถ้าจะให้เป็นอุปถากขอพรจากพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงทับที่ใดขอให้ติดตามไปด้วย้าสงฆ์ทั้งหลายพระเจ้าไปถามว่าทำไมจึงขออย่างนั้นถ้าเป็นอุปถากรแล้วพระเจ้า แสดงทําอะไรไม่รู้ไม่รู้วจเป็นพระอุปถาปไปทํำมายเพื่อแก้กึ้อเมือ่อไงกว่าคนถามผู้เจ้าแสดงทำที่นั่นเรื่องอะไรถ้าตอบมาได้ก็เสียหนา้าอุปถาขอาพรผู้เจ้าอนุญาตพระสงฆ์ก็เห็นดีด้วยจึงจําได้เยอะเมื่อทำสังขนาขาดปานล้นไม่ได้ ละหานทั้งหลายเลยให้อนโนนปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขัดเหมือนกับเข้มแค่หน่อยอนันก็ตามสัญญารับผิดชอบนำปฏิบัติธรรมแบบเข้มหนงวันสองวันสมวันผ่านไปละหานก็ป็นไงอโนน นอนก็บอกก็พอที่จะเห็นช่องเห็นทางบ้างกำลังพยายามตามอยู่เอานะเล่งไปนาะตามไปเออดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะนัดวันได้เล่งจนสุดถุยมือมันก็ขยันนะเลื่องจนสุดจนวันหนึ่งจน นั่งตั้งแต่ย่ำข้ามจนถึงแสงเงินแสงทองขึ้นก็เล ย, อลอยมองไปเห็นแสงเงินขึ้นวันนี้เราไม่นอนเลยนะสนุกกับความเพียรมากเลยหัวเงียบจะหน่อยเพือ่อจะเอาแรงในวันต่อไปลักษณะนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ง่วงนะขอพักสักหน่อยเงีบสักหน่อยเพื่อจะเอาแรงสักหน่อยเพื่อต่อสู้งานวันใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แพ้ไดเป็นความชาา น, นะชนะอนหนเพื่อจะเอาแรงสู้ต่อไปพักสักหน่อยพอเอ็นหลังหลงจะพักขณะที่เอ็นหลังยงอ่ะ หัวยังไม่ถึงหมอนเลย เ, เกิดการบรุธรรมขนาดนั้นอยู่ในวุฒิใจก็ไม่รู้เรียกว่าเวลามั น, มนเวลามันพร้อมแล้วก็คาว่ า, าอีกนึกหน่อยอีกสักหน่อยเป็นอย่างนั้นก็มงนะนันก็มีอารมณ์เพาว่าอารมณ์คือคือได้ได้หลักฐา น, นเหมือนแพทยศาสตตุลาการจั บ, จบ จำเลยได้ได้หลักฐานมัดเข้าไปมัดเข้าไปมัดเข้าไปมันก็ล็อบสารภาพหมดท่าหมดท่าหมดท่าอันจำจำเลยหมดท่าโจดชนะที่ภาคสาชนะตัดสินด้วยมเป็นธรรมผมหลงไม่เป็นธรรมผมทุกข์ไม่เป็นธรรมผมกดไม่เป็นธรรมก็มไม่เป็นอะไรนี่อิสระที่สุดเรียกว่า นิพพานนิพพานคือหมดพิษหมดพัยชีวิตของเราเนี่ยหมดพิษหมดภัยหมดทุกข์หมดโทษเมื่อโดยเราหมดพิษหมดภัยหมดทุกมดโทษทำลายทำเพื่ออันอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นเห็นไหมพระเจ้าได้นิพพานไปแล้วมาพระชนมายุสามสิบห้าพรรษาอีกถึงแปดสิบพรรษาสี่ห้าปีเนี่ย ใช้ชีวิตวยังไง น, นี่คือคนใน้ผ่านไม่ใช่นอนเฉ ย, ยๆเห็นประโยชน์นตัวทมแต่เรื่อง อ, อื่นการฌานแรก <มา S 1> อีสิบปัตนะการาที่สองที่สามที่สี่เวรรันนอกนั้วก็ไปเบเถิตะเปอเพื่อไปสอนคนแล้วกลับไปเวรรันอกีกประมาณชีห้ารวมแล้วประมาณชีห้าปี นอกนั ก, ก็ปอยสอนคนไม่มีรถเหมือนพวกเรานะมีแต่เดินเท้าเป่าไปทางไหนก็หมูสงก็ปอยเดินเท้าเป่าพวกเรายังไม่รถลนะไปไหนก็นั่งรถไปนั่งเครื่องบินว่าแต่ไมน่นานคงไม่มีอะไรเลยทีห้าปีจน แต่มาเขตตะวันนานหน่อย19วันษาบุพาราบ6วันษาอยู่นานหน่อยทำไมจึงอยู่ที่นี่ดนนังฉันา์ได้หลายอย่างที่นี่น้ำดีมีบ่อน้ำดีบ้างเป็นน้ำทิพย์ทุกวันเนี่ยใกล้ๆคันทักกุติของพระเจ้านา้ำดีที่อื่นไม่ค่อยดีแนละ้วแล้วก็ มีบ้านอนาถาปิณิกาเสตฐีเป็นอมุอปถากบุปนางวิสาขาหมหาวจาิกาใช่ไหมใช่ไห ม, มนางวิสาขาหมหาวจจะอยู่ที่ไหนสาวธีเหรอเนี่ยสร้างให้บุพผารามแต่มาจึงเรียกบุปพารามวิสาขานี่ไปงานเพื่อนมาประดับ ติดเนียนจินดาใหญ่ที่สุดมากเลยมาขากับว่ามาชวนบริวารเข้าไปพฝพระเจ้าก่อนที่พระผู้เจ้ า, จาก็เลยมาถอดข้างประดับออกใส่กระเป๋าถือเอาถ้าจะใส่เครื่องประดับไปอย่างนี้นะมันไม่เหมาะเลยข้ารบพระเจ้าถอดข้างประดับออใส่กระเป๋าถือไป เตื้อไปเวลาจะกลับลืมกระเป๋าเสียแล้วเดิมเครื่องประดับก็เลยให้คนใช้ตามไปัวถ้ายังมีกระเป๋าอยู่ที่นั่นคุยวเจ้าเจ็บไปไม่ต้องออกมาเอาไว้เท่นั่นแหละดรวยเจ้าให้เอามาเาาวิชาขาบอกไปเอาก็ไม่เอ า, านอาวิสาขาก็ขายขายเครื่องประดับนั้น ได้เงินเท่าไหร่ถามจารย์พรทธาเลยสร้างบัดบุภาหลางบุภาเครื่องประดับพระพุเจ้าประจํมะชามาษาอหกพัรษาสาวสถีนาเชตวันานาถวาิการเสดฐีสร้างถวายนี่เลยว่าเป็นเมืองที่ตั้งหลักฐานพุทศาสนามั่นคงมากทีแน่แลนด์ตั้งหลายอยู่แถวนี้นานที่สุด ส่วนมากจะรวมกันนี่เป็นสถาบันยิ่งใหญ่นะวันนี้ก็ <c oughs> จบแค่นี้นะพาพ ร, อ, พรอมกัน <c oughs>